สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิ่เสียพิบาตนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพรสตูตอนที่สามร้อยสามสิบสี่เรื่องความถ่อมใจพี่น้องครับในเช้าวันนี้มีพระกัมพีมาฝากพี่น้องสามตอนด้วยกันซึ่งจะเป็นสามประเด็นในบทเรียนวันนี้พระกัมพีตอนแรกอยู่ในพระธรรมมารโกรบทที่เก้าข้อที่สามสิบห้าพระธรรมมารโกบทที่เก้าข้อสามสิบห้าความว่า ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายแ ล, และเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระกัมพีตอนที่สองปรากฏอยู่ในพระธรรมมรโกบทที่เก้าข้อที่สามสิบห้าพระธรรมมรโกบทที่เก้าข้อที่สามสิบเจ็ดถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเลกเช่ clic, นนี้คนหนึ่ง ในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับมิใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยมรโกบทิ๊กเกข้อที่สามสิบเจ็ดถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับมิใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วย พระคภีตอนที่สาปรากฏอยู่ในพระธรรมมัตทิวบทที่สิบแปดข้อที่หกมัตทิวบทที่สิบแปดข้อที่หกแต่ผู้ใดจะทําให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดเท่าหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่เทะเลลึกก็ดีกว่าแต่ผู้ใดจะทําให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดเท่าหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้น ทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าในวันนี้นะครับมีสามประเด็นจากพระกัมพีทั้งสามตอนนี้ซึ่งแท้จริงแล้วบริบทก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เหล่ า, าวาสกมาเป้าพระเยซูแล้วทูลถามพระเยซูว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูก็ทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้ยืนท่ามกลางเขาและก็ตรัสสอนพวกเขาว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับใจครับ กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่มาแย่งกันหรือมาถามว่าใครจะเป็นใหญ่แท้จริงพระเยซูกําบอกว่าคนที่เข้าแผ่นดินสวรรค์ น, นั้นต้องกลับใจนะครับมูลเหตุแห่งการกลับใจหรือสิ่งที่บอกว่าเป็นการกลับใจก็คือเขาจะต้องเริ่มต้นถ่อมใจนะครับท่อมใจและสํานึกผิดเสียก่อนถึงจะนํามาซึ่งการกลับใจใหม่ได้พี่น้องครับ ผมได้เรียนให้ทราบหลายครั้งนะครับว่าการกลับใจหรือภาื่อนสเรียกว่า repent นะครับ repent หรือการกลับใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนอันหนึ่งโดยเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นปุปนิสัยที่สำคัญที่คริสเตียนกลับใจครั้งแรกบังเกิดใหม่แต่คริสเตียนต้องกลับใจบ่อยๆครับเพราะเขาได้สำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเขานั้นยังทาผิด จากเนื้อหนังจากความอ่อนแอจากกับดักหลุมพังของมารซาตานล่อลวงให้เราทําผิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําผิดสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือกลับใจใหม่ครับสํานึกตระหนักถึงค่าจ้างของความบาปที่รุนแรงมากก็คือความตายนั่นเองแต่เมื่อเขาสํานึกเขารักในพระเจ้าเขาปรารถนาที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยเขาไม่อยากที่จะมีอันสิ่งใดที่ขวางกั้นระหว่างเขากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงจะต้องกลับใจใหม่ การกลับใจใหม่เกิดจากความถ่อมใจครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้สามประเด็นที่พระเยซูกำลังตรัสสอนเรานะครับนอกจากการกลับใจนอกจากความถ่อมใจนั้นประการแรกครับก็คือพระเยซูกำลังสอนว่าการที่จะคิดว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดในรื้นจักรนั้นก็ผิดนะครับใครจะใหญ่ที่สุดในขื้นจักรนะฮะก็ผิดเหมือนกับที่เหล่าสาววกพยายามตัดสินว่าใครในพวกตนยิ่งใหญ่ที่สุด น้องครับใครที่อยากจะเป็นใหญ่ผิดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเ้านั้นมีท่าทีที่ไม่ใช่เป็นความถ่อมใจนะครับพระเยซูทรงชี้แนะว่าทัศนกติท่าทีเยี่ยงคนรับใช้คือสิ่งที่พระองค์ต้องประสงค์พระเยซูปรารถนาที่จะเห็นในหมู่เหล่าสาวกของพระองค์ที่รับใช้ซึ่งกันและกันนี่เป็นประการแรกประการที่สองก็คือ พระเยซูทรงชี้แนะว่าการมีทัศนคติท่าทีเยี่ยงเด็กๆเล็กๆเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญทัศนคติแด่ผู้รับใช้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นแต่การมีทัศนคติเหมือนเด็กเล็กๆคือทัศนคติที่เราต้องมีต่อพระเจ้าพ่อปีดาของเราอันนี้คือประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามก็คือ จากพ่อพรมภทีที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนอื่นนะครับการที่ผู้คนปฏิบัติต่อผู้รับใช้และลูกของพระองค์พี่น้องเคยสงสัยหรือข้องใจเลยไหมครับว่าอันตรายของการชักจูงให้ครื่สเสตียนคนอื่นทาบาปให้ผู้ที่เชื่อนะครับเพิ่งเชื่อใหม่ๆนะครับสะดุดล้มอันตรายขนาดไหน เยโตใช้การเ ป, age, ปรียบเทียบที่น่าตกใจน่ากลัวมากก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ทาอย่างนั้นเขาน่าจะตายซะดีกว่าในการตายของเขานะครับก็คือการตายที่ไม่มีทางรอดเลยครับเอาหินโม่ผูกคอทวงลงทะเลลึกหินโม่นั่นก็คือหินหนาๆนะครับเป็นเหมือนกับล้อรถยนต์เนี่ยครับเป็นหนาๆแบรนก้อนใหญ่หนักมากเวลา โม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโม่ข้าวโม่่แป้งหรือข้าวโพดหรืออะไรก็ตามนะครับต้องอาศัยแรงลาหมุนในการโม่เพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ครับว่าเราสาวกจะประทับใจในถ้อยคําของพระเยซูและเราเองจะต้องคิดว่าถ้อยคําที่พระเยซูสอนเรานะครับเป็นประเด็นที่สามนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสครับพี่น้องครับ การทวงนะครับการเอาคนเนี่ยทวงน้ำนะครับโดยที่เอาหินโม่ผูกคอเขาเนะครับเป็นการประหารชีวิตแบบหนึ่งของพวกปาเลสไตน์และโรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหนักหนาสาหัสของการที่เราจะต้องระวังเพราะเราจะพยายามที่จะไม่ให้ผู้เชื่อซักคนเดียวสะดุดไปเพราะฉะนั้น บางครั้งทีเดียวในการรักษากฎเกณฑ์ธว่าบัญญัตินะครับจะต้องมีการพูดจาแบบตรงไปตรงมาแต่พี่น้องครับนี่คือความยากของการอภิบาลดูแลจิตอินทาีของคนในเครือข่ของพวกเราทั้งหลายเพราะเหตุที่ว่าเราจะต้องยืนอยู่ในความบริสุทธิ์ความถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องรักษาคนอย่าให้เขาหลงหายไปอย่าให้เขาสะดุด พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือเราจะต้องพยายามให้คนไม่สะดุดนะครับก็คือเขาจะต้องรู้หลักการแห่งโพรจนะของพระเจ้าจะต้องนําเขามาเรียนระวีวาลศึกษานําเขามาศึกษาพระกรรมัมภีร์นําเขามารับการเลี้ยงดูทางสาวกเพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นและไม่สะดุดง่ายเมื่อไม่สะดุดง่าย เขาก็จะเรียนรู้จะเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่เขาจะไม่สะดุดใครพี่น้องครับไม้กางเขนนั้นได้ซ่อนอยู่ในพระกัมภีร์ทั้งสามตอนนี้หรือในหลักสามอาการนี้เราเห็นไม้กางเขนแนวดิ่งก็คือเรื่องของความถ่อมใจครับความถ่อมใจนะครับเป็นสัมพันธภาพเป็นสันสัมพันธภาพที่เราซึ่งเป็นเหมือนกับเด็กๆจะต้องมีต่อพระบิดาพระเจ้าของเรา นะครับส่วนไม้กังเขนแนวขวางครับแนวราบก็จะเป็นท่าทีผู้รับใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นเราจะต้องมีสัมพันธภาพนะครับในเชิงเรากับคนอื่นเรากับผู้ร่วมรับใช้เรากับทีมงานก็คือต้องรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับและบทเรียนประการที่สามนะครับผมจะสรุปก็คือเราจะต้องระมัดระวังครับ ที่จะทําอันตรายหรือไม่ก่อเกิดอันตรายกับลูกแก่ของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ขาพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในสามประเด็นก็คือทัศนติแบบผู้รับใช้ทัศนติเหมือนเด็กๆและทัศนติที่ระมัดระวังไม่ทําให้คนอื่นสะดุดอารมน